ทับโมทุกขตาไม่ได้ตามตัวหมสังขูณาตาไม่ใช่เขาไม่ใช่เรา น, นี่ก็ได้เอาฤณออาปาาลมหายใจเขาออกเข้าพุทออกโธเกนี่ก็ได้เจ้าแต่เมถูกจจิตใจของการที่ภาวนานั้นเที่ยงลงมปมท่านาวนาทา่านว่าอิอธิอธิท่านก็ได้นะท่านเลเป็นพระเลยอธิเนี่ย ตธิษฐานก็ลูกตอนลกตอนนี้ภาวนาอนุตตรา่างกายไม่เสียงทุกขตาร่างกายไม่เสงเป็นทุกอนุตตาล่างกายไเสี่ยงก็ไม่เรอเอาอย่างนั้นระกจิตใจตัน้ำาไหลนั่นแหละต้อง็ร่องเฟ้นหะตัวไหนมันถูกกระดูกจิตใจมอเย็นเอางนันแหละเป็นอารมณ์คือเฟ้นเฟ้นทติคนนี้รู้จโมก็ได้ เท่นขอนั้นนี่ปซานะหมกหายจเข้าพุธออกโซ่เลยี่เท่งตโนหัก็ได้หรือปบางสมองไม่เท่งอน้เท่านั้นเข้าพุธออกโ่ัก็ได้หลวงพรวนารวนานลกตะวเอโกโจจัขังติเอโกโจโมกขังขจติในสองสยา ทเป็นงธรรมกานสิทธิสักพุทธเจ้าตรงตัดวายเรื่องภาวนานั้นภาวนาแต่วาออกนำออกจากทุกทศไทยเมื่อใหญ่นำออกจากคนตัวซ่าละโมกนำออกจากคนเป็นเทพเป็นผีเป็นมักขุงมรีนำออกจากคนตัวซ้านำออกจากคโมเขยตันดานมออกหมดไม่มี ผู้ภาวนาเป็นผู้เมตตาผู้ภาวนาจะเป็นผู้ไปไฝ่ทานในโลกผู้ภานาู้จัดวัตะสงสารอันดยาวกล้ า, าวไปยกืกว้างหนักนักประมาณเลยหมดไปสิ้นไปไดแล้ ว, ลวนั่นะผู้ภาวนาจะเป็นผู้แตกสรรในสไตสิบกเป็นผู้ก้าหารการใจทุกอย่างหงนึ่งาวนาว้ระันออกน้าออกจากสิง สาสตร์สาทางไรทางกวงหมดทังิ้นสองภาวนาตัณฑบ่อที่เกิดของโลกิยบุญ ก, กุศลบุญกุศลนั่นเราเกิดขึ้นจากภาวนาทานศีลอันนี้จะเกิดเมื่อเราภาวนาประดับกแล้วทานก็ไม่ร่มศีลก็ไม่เข้าหมองถ้ามีใจรักษาศีลและทานไม่ภาวนาประกอบ อ, อีกด้วย ทาง น, นั้นอาจจะเศร้าห น, อ ง, ห น, า น, อ, นองเนื้อจะร่งชมแลวก็เส้นนั้นก็เศร้าหนองเลือขาดแค้เลือดขาดปัญญาขาดปัญญาให้ภา น, นาสามภานาต้อบ่ใ่กฎของโลกอุตตรกุศลโลกกุจรรบุกุศลหมายชงสันิานอันนั้นเป็นของโลกประเสรแ ท, ท้พระเจ้าสรรเสร น, นให้ภาวนา่น น, านั้นท ภาวนาจนกว่าที่เกิดของโยศิลปบุญกุศลโลศิลปัญญานกขิปัญญาสมาภาแสงสว่างสะเอือนจไม่ได้ปัญญามือนนี้ใ้เจ้าสอนยำแล้วยำเราให้เราภาวนาเว่าอบรมจิตใจให้มีสติให้มีปัญญาเจ้อว่าจะได้แก้จะได้จิตใจทุกอย่างจะขึ้นโซซ้าละเมอกาะ พรนามเป็นอที hear, met, ่เ so ก so hmm. ิดของโลกุตระปัญญาหมายถึงพระสุดาสนพระกสุชาคานาคาหันอันนั้นเป็นของฤาประเสริเกิดขึ้นจากราชวนาหน้าห่างคออสศงโกนาหน้าห้างคอนี่แหละคนที่เอกโจสักขังคติเป็นบันไดขึ้นสู่สุคติโลกสวรรค์ ผู้ภาวนาเอากจรูปของนสติจะห้ามว่องเสียสุนราช ก, กันดารศลากันดารพยาธิกันดารนรกันดานนิ ส, สังสีังเป็นอิสไซเป็นปัจจัยให้เราท่านาพนาาันต่อตีบ่วงหนา้ายันหนา้าเดืนหนา้าปีหนา้าราตรีสาน้าโดยไม่เิดยหวังอันนี้ภาวนาสาคัญ จะนั่งจึงคนที่เราท่านทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธหลงควรบริสุทธิ์เจริญสุดขึ้นที่ตนคนที่ยิ่งหนักเรื่องภาวนานะั้นอย่างที่ล้ตานี่่ออกบทกเก้าสิบไม่ได้ปฏิบัติปฏิบัติอะไรนี่จะปฏิบัติภานวนาวนๆมาตลอด น, นั่นก็ได้สติได้ปัญญามาทุกระยะ ความรู้สุษา์นั้นก็เกิดขึ้นเป็นระยะๆสามารถพูดได้เ่าเ่าได้นัดตูได้เพราะอันสมภาวนาเมื่อเิดสมุดลงไปนั้นโผลราฐานคันกะสมาธิเปนสลาดสว่างสวัยอวัากิหารสังใจมีควอมเอินจิฮาศรัทธา วิระสติสมาธิสัมยานเกิขึ้นของกำลังห้าสาะห้าเมื่อภาวนาสมิงอยู่ท่ามกงเพนชื่อก้วยกันบ้างนะกล้วยก็กล้วยก็หิ้วตีสามตีสี่หาจีหอนตูดังตกรองน้าแล้วมันจะกลับบ้านไม่ตัวพ้กหน่อยนะเชื่อมอนกันเ ไม่กลัวว่าเมื่อไรใครมาจี้กองกอนจะกินจกินตัวโอ้ยมันกยาดเสียวใจเสโที่นังองอาเอการทงาน้วยกันฮ่าฮ่ากลมันจะเติอนสรเรื่องต่างคนทีะเฉลี่ยใจดำเ้นั่นเองอันสวรงานก็หานทุกอย่างแสงที่เข้าตาหนุกความสมทุกอย่างนีการภาวนาสมัยนั้น ภาวนาตั้งใจเดินภาวนาและไม่งในน่ตั้งักท่านใจเอาชีวิตเป็นเดินตัออ้งศึกษาเอาชีวิตเป็นแรงการทำทุนงานความดีนั้นก็ตั้งใจเดินภาว น, นาเก้าขัวพุทโธเจ้าสายธรรมโถเจ้าขัวสองโคเอาอยู่่างนั้นแล้วการเดินภาวนานี่ย มีหัสมมหา้าข้อข้อหนึ่งโดนภาวนาปลุกไฟชานให้ลุกขึ้นเผากายให้อบอุ่นข้อที่สองโนภาวนาปลุกไฟชานให้ลุกขึ้นเผาเช่นเลือดเป็ลนลมโดนสะดกสกวกไม่สัดค้องข้อที่สามโดนภาวนา สุขใ้ท่านลูกคุณเผาอาหารให้ร้อยในอูดข้อที่สี่ผู้เดินภานาจิตยยงลงสมาธิสมาธิใดในขณะเดินนั้นสญญมัธิของบุคคลผู้นั้นไม่ดับถพาะสามารถเอาจิตโลมลงได้ห้าผู้เดินพานานั้นเท่าพระดาอุพรมณ์นในหลวงรัชกาศไ่้เห็นเลตตาทิศ ได้ยินในห้งทิดเขาก็สาธุการส่วนบุนสนามวันไหวนั่นแหละข้อสำคัญการเดินก็ดีไม่ใช่เดินเล่นเล่นมีประโยชน์ต่อผู้คนในโลกก็ติดอย่างนี้ที่นี่ในสมัยการครั้งนั้นขึ้นไปทำกรงเทนกุฏิที่อยู่มันก็ไม่เอาใครทำให้ทำเราเอง นี่นะก็ตั้งใจทากุญเชียนเดินเอาใจล่าเป็นประมานแล้วก็เดินเดินหานเจเข้าพุทธออกโคผ่อลมใละเอียดเข้าทุทธเทตอนเจอนั้นบางทีจิตก็สงบเกียจเกียจจงเกียดเกียดลงไปนั้นก็การเล่าของใจนั้น ไม่มีการเอียงทั้งไกลหไม่มีเที่ยงกรงความหนักจนสมหรับเก็บน้ำครอบนำรักษาไม่อันนี้เปนของพระเจ้าแผ่เรื่องภาวนาเนะี่ยมันเป็นของที่ชาวคุฑจะต้องเจริญให้เกิดในขึ้นเพืมอนงาวน า, าเรลาเป็นผู้ตายก็จะเป็นผู้ตาย นูกคนผู้ตายดูพระเจ้า อ, อะไรเงี้นอานนทพระเจ้าเทศอสการน์พระสูตรอันนี้นนนนข้อสำคัญที้นี่เนี่เยเดินเดินไงนะเอาอย่างตีนั่งไตมัดสามเดือนไม่นอนสองสามวันสันั้งเขา้าแต่คนไม่นอ น, นี่มันเป็นนักเป็นคนเชี่ยวเป็นเชื่องส่งมากดีมาก แต่อดข้าวอันอดแล้ว2องวันหยุดนอนจริงเจ้เด็กมันก็คืนพุทธนะโอ้ยได้น้อยเดียวพุทธอดนอนมาได้อดนอนมัดีกว่าข้าวไข่ทำได้เจ้าเด็อมันอ่อนตัวลงนี่ที่นี้จากนั้นไปวันหนึ่งนั่งตั้งแต่3ามโมงเช้า เอาความอยากเกิดขึ้นบังคับจิตให้จิตทั้งหมดไม่เป็นจิตแข็งเน้นกันกับพักสมนักลงน้ำมันไม่ยอมลงไปเลยขาดตั้งแต่สามโมงเช้ายันถึงมติดใบสั่งยนสามหนาวๆ น, นะห้าเกียจมุดควาอยากพักดันจิตให้เกิดกระเสียกระสนเด่นดน เขากายให้ไราร้อนจนไหลนั่เแหละที่เห็นโทษของกรมอยากอย่างจิตเป็นสมาธิอีคลั่งที่สองก็นั่งตั้งแต่หกโมงเย็นเรื่องถึงหกทุ่มจิตไม่สงบเลยครังนี้ก็ดีเพราะเอากรมอยากเกิดขึ้นบังคับจิตให้จิตสงบไม่ลง นี่นก็นาวงนาวเนวดชันมีอะไรออกเรื่องไปสมหกุ้นเออไม่เอาจะตายแล้วจะใสวบางสมอยากพอ่อยวางสมอยากเน่าจิตยอมพดเลยจองสาลงสงขันขณาสง่าที่โอ้ไกลระหุตาไกลเบาจิตระหุตาจิดเบาเต่มซุ้ บอกได้เรื่มไส่กำลังห้าเกิดขึ้นฟ้อมชัดทางมลสติสมาธิปัญญากำลังห้ายี่สิบห้าเกิดขึ้นฟ้องคนละงนก็เล่า็ึงทุ่งเทียนคนละที่มักบอกักพ้งหลายตั้งใจท้จริงอยากนั่นอยากนิ่อยาทำนั่นทำนี้ไม่เกินไปนะ เท็หลังคำนั้นพอจิลียดโยมคำนั้นพูดพูดขึ้นทีดหัใจการทำคเครงเพียนดีมากอย่างท่านหาเหนียแต่ว่าไปในระดอกสันธา น, านมันมันเป็นอะไรจใจใไมัไหนมองดูตั้งแต่วันที่จะออกวัดเป็นอะพูดอย่างไรกไม็มองใจโอ้เขาจะย่าเงเลียกจากการสร้างโลกแล้วจะทำอะไร ก็แปลว่าจะบวชยันเท่นบุญให้แม่แล้วก็จะสุดมาสร้างโลกเองเอาเท่านั้นเอาชนนไปกลับคุณบ้านเก่อไปเลยนั่นแหละความปราชนาณต้ใจอะไรในโลกมันเกยดขึ้นหรือไปไม่ได้หรอกขาวความปราชนาโเออมุบดูท่ า, า, า, าสุดทักมาจนบุตรเจ้า วรรมะ้ทาทมานี้อยู่ปาสนาเป็นสาหัวของพระเจ้าตนเป็นฤาษีชายป่าลูกศิษย์เจ็ดร้อยองค์ศาสนาพระเจ้าอนุญาตสิไปสังธมะพระเจ้าลูกน้องเจ็รยนั้นได้สเร็จหานหมดเจ็ดสิ่นไม่ศ า, าสนาเป็นโจกข้ามเลยเจาจาจย์ได้เราะคากรศาสนาอยู่ได้ ข้อสำคัญท hmm. ี่เสื่ามโยงใจเรื่องาสนานนั้นเป็นครื่องเชี่วขวางนั่นแหละเว่าอภิสกัตถาท่านคนที่ับ้างให้มีจองศาสนาน้อยมี่ัตถุกถาถะทำสรรสกัตถาถ้้มีคนสะดุดมากน้อยทุกอย่างมากน้อยขนาดธรรมะขั้นตอนกรเจ้ามีคนมากน้อยเสมอเม้กระทรุง มันแขงเป็นไปตอนจะนั่งก็เรื่อมคงเพียในรถละจิต ก, ก็สมบทุกวันคื น, น, คนท่านกนิกะสมาธิยอมเลอะท่องการทำคงเพียงในรถละตอนนื่งม่ลูกโตไม่ขาดสายนั่นแหละไม่เอาอะไรเป็นอารมณ์ยอมลงไปแล้วจิตละหูตาจิตเบา กายลรามีตากายมืานั่นเองทิ้งเสงสว่างพอเกิดขึ้นีิสิห้าเกิดขึ้นโอ้่าลงบันเทิงหาสินไดสมอเหยังนมัมี่รสชาตก็อร่อยแทบพุ่งบอกดังใจนั่นเองผู้รู้ผู้คุ้นมักเลยว่านักเถรสนเจฟังสุขขัง ช่วงทุกข um ์ DIE, ่อนสมุนไพริตสงบหนี้แสนสุขแสนสบายกายมือตากายเบาจิตละมือตาจิตเบายกจิตไปดูอดีตยุคมาโนอนอนก่อนอาหารมันทุกข์แสนทุกข์ยากลำบากนั่นแหลทุกข์เกิดใครเดียวสวยมันะทุกข์จิตเี่ยน่ะจิตยันเลยนั่นมันหายหมดเขี่ยวเข้าก็หาย พี่นองก็หายไม่มีสบาสดชื่นบอกบานลาเรามาตรงใจดีเรื่องเกียรติสมุดเกิขึ้นอุตกะเสือกเกิดขึ้นขนฟองสองกองนั่งตะลึงชมาเี่ยนโมธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นคนย่งนี้กระเสืออย่างนี้ นั่นเนี่ยขันกาปิจิตเกิดขึ้นกระทบไปเลยจิเหมีอนแสงไฟแล้วหนาปึงกับกายจิตโอ้กระทบขาชินใเสมองนี่มันสูงขึ้นไปไปละยะโอก็ตัดี่จิตเกิดขึ้นกระทบไปเลยเหมือนขึ้นน้าก็ทบฝั่งนั่นเนี ar, ่ยอิทธ <AKE> ิพลขันกาปิ <auen> ี <charging> ่เกิดขึ Short ้นโดนจงกรน ม่นนึกว่ามันหยาบแนดีะนึกว่ามันหยาบยกบนฝ้าข้างบนขึ้นมาดัดเล็กเด็ดสำคัญดัานั่นอุทธเข้าปจมันเบามนกำหนดแล้วกาหนดลงกำหนดแล้วกำหนดลงจนรู้ว่าโอ้หยาดิ่งก้าวอยู่ขณะนา้นปีจีเกิดขึ้นเสื่อมข้าวเดือลายโกคจิตอ่าลังจะไหลปีีหาเกิดขึ้น เป็นกำลังสองใจโอ้พระเจ้าว่าอันนี้เป็นกำลังใหญ่และภูเขาท่านก็สอนว่าอันนี้กนะ็หมดเรียบลงปีเก้าเ้ามาเป็นกำลังเจิตเทียบจะมีคนฝ่าหารต่อต้านอุปสรรคิเด็ดได้เลตนาขันสุขทุกได้ไม่หวั่นไหวอันนี้ข้อสำคัญแล้วก็ โยมกำหนดมีสมองหอมผู้เยี่ยนห ม, ม่เห็นคนมนะษยหอมเหนมนุหม ด, นะหออหมดจิตก็สงบแล้วมองไปคำาน้าโ น, น้นเห็นเทวดาเทพบุตรนั่งอยู่เป็นๆจนๆจดทุกโยสาเทนของชุดขาวไม่ดามดมนุษนะขาวหอมสุ่นใจ ก็เลยก็หมดถามทำอะไรนั่นอโอบูซาทำมาค่อนข้างเจริญธรรมกันบูซาเขาอยาได้อะไรอยากได้บุญบุญเราไปเป็นอะไรอ๋อบุญนั้นเป็นของเลิศประเสริฐจะไม่พาคนไปนรกหมกมุ่นบุญนั้นจะพาพวกคนผู้สะรมอยู่แล้วไปสวรรค์อมโตะมีฐานไหญ แม้ความเชื่อในโลกสมสารนั่นนั้นไม่จากคนทิ้ง น, นำมาตั้งแต่ของนิฟรธศรสุดสุดลาบมรดสละสรรพคือมนุษย์น่าชื่นชมในโลกกรรมเกิดขึ้นจากบุญทานละทา่านโอดีเอามันมโนทนาเอานั่นก็เรื่องการพัฒนาอย่างนั้นตอนจะนั่นมาก็ เร่งรัดพัฒนาขเขาเป็นระนาดระนาดไม่ระนา ด, ดที่นี่แสงสว่ า, างกระจําเชี้กำหนดถังถ้าทำดูนี่เป็นแสงอะไรและทำขึ้นขึ้นหัวใจว่านี่เป็นแสงของบุญกุศลที่ท้านสะสมมาแต่สมัยก่นอนน้นและภพนิพพานนี้และกวงพังเข้าบรรดาหนุ่มจิตสงบดั่ง แสงบงสนจันทุศนแสงพระนิพพานนี่เป็นธรรมของพระนิพพานนี่นะข้ามจงดีในการเจริญธรรมข้อสำคัญมันหมังและอย่าได้ส่งจิตก็ตา่างแสงสว่างออกไป น, น, นอกเมื่อเห็นธรรมธรรมดูกระปายก็เก็บอย่างรดูกระ ป, ปายก็เก็บทําอยไรอ้เมื่อน้องแสงสว่างนอกแค่กระปายี่ ก็เพ่งกายมากลงสู่ใจแลวกายเย่อกายยางตองปฏิเสธใจความสักด์เ้าายหนาะมั่งื่อสัตวุคคลจนจเราเขาดอกเพราะมันแก่ถ้ามันเก็บถพรามันตายนั่นและมันจนจะเบียดหแลวก็เพ่งอย่างนั้นเยืนาสุขสุกเศส้เกิดขึ้นตั้งอยู่รไปสนั้นเช่งแสงสว่าง นอนลงที่กลายงเพ่งลงที่กลางเพ่ ง, งยังยม้น่แหละไม่สุงจิตไปอุ่นก็จะนั้นกายก็เลยเฉียงลงตายลงง่าตายลงนี่แหละอันนี้จะตามไม่ที่ยงพูดขึ้นมาอย่างนั้นใครพูดตายหรือพูดท่านจ้าทศกษา ให้มันรู้ให้มันเห็นให้มันติสงสัยเป็นธรรมะขันธ์อื่นที่ร่ดประเกิดคือตายโลกทุกสัตวทุกชนชาติโลกและนาำตายได้ทุกชนมามีคนตายกันเยองนัะตายแล้วหมดสิทธิ์อำนาจลดเดือดเงินไฟมันดับแล้วก็เคลื่อนสว่างมันก็หมดไม่มี ตำเดสมสันไม่มเมแกสังขารก็ตายแล้วเมื่อมีคนที่อยู่สังขารนั้นก็ทาอะไรๆตามจอดใจไม่สิทธิ์หลังอันนี้ถึงสภาพตายแล้วหมดจะได้นรรเทาสวรรค์สวรรค์ น, น, นิพพานก็นไม่ได้จะได้อะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นเพราะ เพื่องฝนฝนไม่ทำให้จุกร่างกายมันตายแล้วแต่เราครือใจมาใส่ร่างกายก็อาศัยกายทำให้ทุกอย่างอาศัยกายท่า น, นั้นมันจมพิการศึกษาอันนีาตาคือตายมันอะ่เอี่ยงแปลควรเป็นแปลงอยู่เช่นนีนน้จิตจงศุกสาฟื้นขึ้นมาอย่างนั้น ั <ười> get, get right, ่างเป็นคนพูดจิตเป็นคนพูดเปรียบเหมือนมีสองคนแต่คนเดียวอำนาจของจิตปฏิบัติธรรมเป็นเชื่อสัจังใจเช่งว่าอย่างอัตมาพะเยอัตมาภาพเกิดมาแล้วเป็นลูกแล้วกลางตัวอัญจังทุกของนันตาอัญจังกเสีย แปลงส่วนเปลี่ยนจอยู่เป็นทุกข์งจะเป็นทุกข์ระบาดการจิตนุติผลิตแาษฎร์ผลัดขันมันในคงที่อันนั้นตามไม่ใช่ของเราถ้ามันแก่ถ้ามันเจิดถ้ามันตายจะเป็นสภาพสังขารหลังก็ตามที่สังขารที่มีใจของมนุษย์หนักคุณเป็นรบบกรรมนั่นแหละอาัจะจะตามไม่เชี่ยง ทุกสังขัญทุกะตาเป็นทุก อ, อ, อ, อ, อ, อนัตตาไม่ใช่เขาไม่ใช่เราเมื่องอนจะเป็นอะนุปเทณสังขาราขลดเยี่ยนเจียนนอต้นไม้ภูเขาเช้าวันยกกระชากพัานาจิตหันเกิดขึ้นตังจะตั้งใจเท่านั้นยังมีสังขารขันประเทศใด จะคนที่ได้ตามเจมายของโลกคู่บุษัทจิตจงศึกษาพระเจ้าสอนมาเรื่องบุญิดดอกยังจงจริญสมุทําธรรมจึงได้สิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสัพพจังโรทะธรรมจึงนั้นทำส่วนเท่าอยางมีคนดับไปเป็นธรรมดานี่เป็นเรื่องของสังขารธรรม หันมันรู้พระพลังเจ้ามาตัดตาลูกทุกสมะบุนทายโมดนักความรู้โดยสังขารขันขัก็ิตตนนั้นไม่รู้ที่อื่นไปสวรรคสวรรค์ก็ไม่รู้ถ้ามีคบถันวาเลนเวนสังขารคบศาสตมนุษย์อันนี้ข้อสำคัญนั่นเองเ่นมันก็เปลี่ยนสภาพดอมฟองขึ้นเอฟองขึ้น นี่นะตัวอนาตาไม่ใช่ของไม่ใช่เราตัวนิจตาตายแล้วกับฟางขึ้นเปลี่ยนจากผ้ามสีขาวสีขาวสีดำสีเขียงเกิดขึ้นว่างานก็แต่งยิงยิเจอล้น้่าน้ำหนองล้วออกไหลออกจะเดนอปากตะวันหักเบาแต่ทั่วกลมีกลินหม็ เป็นสภาพสมบัติที่ไม่น่าแาลนะแต่ก็ได้ประสบพบปะจิตจงศึกษาให้มันได้ให้มันรู้แต่ทุกศาสตสังขารแท่งเชียวก็ได้ทดลองเช็ดไปก็มาในทุกศาสตร์สังขารเป็นอย่างนี้ทุกทุกทุกศาสตรนั่แหละไม่ต่องสฉงเฉาดอกอย่างสำคัญมันหมายว่าตัวเป็นคนดีเลิศประเสริฐ ดูว่าตระกูลน like yes. yes. ั้นนะถ้าต้องเจริญธรรมคำสอนมาเจ้าเจริญทานสมทวนาเจริญพุทโธเถรวสังโตอยู่เป็นมิตรประดับมิตรสำคัญในโลกนั้นนั่นจึงจะชนาเป็นผู้บริบูรณ์ประโยชน์แท้แมนั้นนั่นมมคําทั้งหลายเหล่านี้เป็นมนุษย์ได้ดอกหาสิ้นดีมใด นี่จอมศึกษาเน่อเตยเน่าแล้วเป็นกับภาพที่ไม่ดีใครเล่ามาอย่างไ้ไม่คนคัญเตงต้องไปตรสบดปุ you know ๊บปัละพุเอเช้าพรเเจ้าทวงหลายท่านมารูเห็นเป็นอย่างนี้แหละแล้วท่านซึ่งเดียรนายใครคนถนัดไม่พบสราบสังขารไม่ยอมได้อีกต่อไป นี่อข้อสำคัญเมื่อได้ส่งสัมผัสมารอสคคะเกิดขึ้นจิตทุกข้างหลังต้องจะสลาดเกิดขึ้นอ น, นุตาไม่เพียงง้อมตายแล้วเปลี่ยนน้องทุกข์ก็ตายก็จะทุกข์เพราะมันไม่อยู่ใต้อำนาจเส้าหมายยาไขมั่นคลมเทวนอยู่ก็ไม่ไดอนุตาไั่ใช่เขาไม่ใช่ไรเพราะตายแล้วเปลี่ยนน้อง นี่เป็นของจริงเธอธรรมะของจริงพระเจ้าสอนที่สุดท้ายเธอจงเจริญชนะธรรมธรรมะเดนินยที่นางถากขันข้อมืใจรักจะเร็นเจ้งพระจากอย่างนี้แล้วจะได้เบียนไหนใน ข, ขัตริยสังขารต่อไปหันหน้าสู่พระนิพพานทางหลังสุดโลกจเจริญธรรมหาทางออกมัก อดจงเจ็บสมสารวัฏนาเสริมสมสาธิปัญญานะเป็นทางเที่ยงกันกองทีกลป็นทาเครื่องทำออกยีน่นอนยาดูเื้าเลยเช็ดเต่เจาจะเป็นโมฆะในการบวชจะเป็นโมฆะอนกานเป็นอุบาสกปุรกาธุพุทธศาสนาจะไม่ได้ทำไม่ได้ต น, นจะยังแต่เพียรนอกกระพื่นนอก ถะไม่ไ้เข้าถึงแก่นสารพระสดาผลถ้ากฐีชาคามผลพระอนาคามิผลพ้ะหันตาผลนั่นแก่นสารขอศาสนาพิจารณานั่นเต็มผู้ถตายเต็ผู้ราดิพานช่างศักดิ์หาสุเสมอนยังไม่นั่นเองนั่นคณะนั่นก็จิตก็เดียนายท่านเช่นกัน นยวถอน้วยสัญญาสังกัดสังกัดสามกรณีเลี้วโซ่ก็ทำได้จิตลงสงฐานนัรมถ้าอินทร์เจอบังยงโซ่ก็จะได้ถึงอรหันถ้าไม่แจวก็จะได้ขั้นต่ำไม่ขั้นกลางนั่นถ้าได้ร่างดีแล้วก็จสุดเจงนี้แจงมาด นี่ราต่อทำอดทนจิตได้บันโดทำแลมาเสริมพระทหารโตขึ้นเป็นจิตที่หนื่อใส่จิตกิก็เเซ็นสารตำนานโบการเลิอันนี้ข้อสาคัญนั่นจะให้นามาจิตตังดั่งตั้งสุขภาวะทติจ็บปวดสุขเจริญมันสุขไหมในขณะนั้นปฏิปัญญาตัโหนุกขันติใจมโมันขันธนา มานกิเลสมันขันธ go. But ์ขมานอภิสังขารมานเทพบุตรมานทชื้เชื่องศุกตามไม่ทันหมดตนเองก็จะกหรือว่าจิตเกษมขาดเลิศหรือว่าเป็นทุกคนที่เนยตายถึงเต้าหมายแห่งขันธ์ไเป็นที่ไปอย่างนั้นจะเห็นเชื่องชัดในอำนาจการภาวนาทำนั่นเกิดขึ้นเป็นระยะระยะปัญญาธรรม พุทธโธรมโยสงโทโด่งเด่นอันสังส์สัที่ว่างชั่วันานเดินเท่นานก็ดีอันกับใจเป็นสมบัติของเราเจ้าสามหยงเจ้าพุทธโธแก้าธรรมโอเจ้าสงโคเนี่ยได้เสวะมนุษยนิยตจธรรมมนุษย์อรรถตัศเลศสกเทีงคันนี้ข้า ตัดได้ขาดได้บรรลุเนื้ตัวธรรมแสนดียอดสกุลถ้าตัดไม่ขาดสองยอนสามหนึ่งขาดทำอย่างเราก็ไม่ขาดก็พูดกันมาอยู่ว่าเต็มแต่ตะทรพระประหารด้วยยิ่งคำะนะประหารตะทำกระประหารปหารด้วยสมณะธรรมสมณะฐานดมโยมขันเหต ท่านผลจิตสมบูยณ์สู่คณิกะสมาธินานั่ทังเหตุไวยผลทัง้งทหารเกลือกันเหมือนเิลาชับน า, น, น, น, านาไม่มากเงินกันเรื่องคำธนาะหารวยนปัญญาณิปัญนาคมปูฟุดฝันไปรู้ท่านเหตุจิตไม่สมุติจะเลแาเรื่อนั่งนั่งเราพิจารณาถับขันน้อม่อสหดใจลัง อันนั้นตามาเที่ยงทุกตาตาเป็นทุกอันนั้นตาดของเขาม่ใเรานั่นและอันนี้เป็นขั้นเหตุขั้นขอนจิตลมสู่คันิกะกรรมเจดายนั้นตันยังปรัชนาเกิดขึ้นใขนขณะที่สมมตนัันแล้วกรวะลุ่นถนสังเวชมั่งขาดเยื่นั้นเพราะอุนชิอ่อนบาลานซ์สมออนก็ได้แต่ ฤคัมภัะนะประหารจะหารด้วยสัญญาวิปัสนาทั้งสองนี้ได้เชียงแค่กร่งใจก็ดีม่ะเต็นเสาเต็นปัจจัยจะให้ได้โลต่อไปข้างหน้าเงิ้งแสงสลัดเลยชุดเดียวนะนี่มันซาเนี่ยข้อสัมพันธ์จะนั้นจนงร่มจะลอยทวนาว้ข้างหนา้า จะลองทำยังไงบมางขนไสวย์สะสมพลังไงเป็นมักช่วงส่งจิตเข้าสู่ความสงบบ้า ง, งในขณะนั้นก็ลูกเจ้าหนุ่มกินแล้วจิตก็ถอนค้นมาสู่สภาพดิถ้าจิตเข้ามาสู่สภาพเดิมใช่แหล่ะก็รู้สกว่าจิตนั้นน่าลมงมาทวนยีดยังเจริญสอยองอาจกล้าหา ร, าหา ร, าหารใจมั่หวั่นไหวทิงก็ จะเล่นต่อไปเล่นภาวนาเจ้าขวพุทธเถ้าเจ้าร้ายทำเด่เจ้าขวสังเือาไม่ตั้งสัตว์อัตโนราเป็นีนหน่าแล้วก็ยืนหายใจขับพุธออกโทเท่านั้นยืนในหน้าแล้วก็นั่งนั่งเนาะขาขวาท่าพระ้ายมือขวาทำเล่ซ้ายทาไปให้กล วันทำพุทโธเข้าพุทออกโพแบมนั้นห้าสมควรําหนดตามพุทโธวันจุดขึ้นโตขันท่ายตั้งอนังโลเมเชียงโยกตั้งทุกข์ขึ้นเชียงเป็นทุกโยกตั้งอานาตายกังกายมันเชียงเต็มทุกเป็นอานาต่าเอึงน่วจะตามก่อนนิ่ตั้งอยู่นับไป ไม่เชื่อมเป็นทุกขนาตาเจ้ากล่าวขึ้นมาทุกขนาโนนตั้งรูไม่เชื่องเป็นทุกขนาตาจิตจงทึกษาแต่ปัจจุบันย่งก็ไม่เชื่องเป็นทุกขนาตามันเป็นอะไรนะนี่เป็นคาสอนพระเจ้าสอนเราพิจารณาขันห้ารูปตังทุกขงรูปก็ลังไส่ขาดรีน้ำดำไป เรื่อน้ำทกสุ่างหลายาบาดาวจบน้ำเมฝนตกจากบนฟ้ามกระทบน้ำข้างล่างใต้สะพานวันก็ไข่ก็เป็นพลงไม่านก็แตกเตาะหายไปหางเรื่องพลังใจกสนนินทุกสุดท่างหลายจงกำหนดดูในรูเียๆนั่นยาในรุดมันที่มันหลงไหลเทลิงถึงกำลัทุก้าง ลูกคือร่างกายเ็นเราเราเป็นลูกร่างกายร่างกายมีเรานำไปทำลายไม่หรอกต้นใจสำพระจัดเจ้าเจ้าเจ้าคราวที่สุดสังไหนี่ความสาคัญพะของเจ้าเปรียบเทียบให้เราที่นาศึกษาสอนเติมเจตนาอานิจจาไม่เสื่อง เกิดข the like ึ้นต้องอยู่รับไปสุกทุกๆๆนั้นมันใช่เขาไม่ใชเราเกือหนึ่งขึ้นน้ำให้หนองคลองเดินเดิัดมาเป็นคึุ้นๆนั่นก็ดับไปเท่านั้นอันสันใดศึกทุกๆๆเกิดขึ้นต้องนับไปเท่านั้นทุกสุสรางรวมกำหนดเรียนรู้จะได้ไม่หลงเกิดเศ้าเสอยใจไปตามเวทนาศึกเกิดขึ้นต้องนับไปจะไม่หลง ทุกการเคลื่นอนผอมทีเรารอนก็จะไม่เกี่ยวกับสอนไม่ลงไปตามพวกนั้นเฉยๆเราที่งานเรื่ล้ ว, นนล ว, วก็จะไม่หลงไม่ยลงร้อนน่ะผ่อนใจสัญญาอันชาสัญญาความจำได้มาด้มันก็หลงได้เราก็หลงเดิมเปลีย่ยนเซลไฟที่คนติดเผบสถานที่ ส, สํางๆเซลไฟนั้นนั้นไม่เป็นที่ มันก็รูดรู้รับหรือยับแย่จะดูร้อนมนงสายตามแตตางตามทุกต่องเรื่องวางย่างว่างมันก็วัน ย, ยับยับแล้วก็ดับไปเท่านั้นฉันฌานิจร ก, ก็เท่านั้นเมื่อเราลแล้วเมื่อมันหลงล้มไปก็จะในเศร้าโศกไปตามสัญญานั้นสังขนาร น, นิจารสังขารทั้งหลายเกียบเหมือนต้นควาย ไม่มีแกนสั้นห บ, บืพี่โคสั้งหลายก็ไม่ไม่ต้องการยะเลด้ยนไปเถอะคือผ้าก็ได้ต่ำจากกันไปไม่ไดหกเจ้าน้าทีนะเนี่ยแขังขันก็่ันั้นอันจะตามไม่เที่ยงยึดงานนีงในจังหวัดงานทหลับลู่นจังหวาดทั้งหมดรู่ินจังหวดทตาสตว่านหนักเบแขนขาจมือ เ, เ, เก็บหมากันจะไม่สลมเฉียบแทงถล่มเฉียบแทงได้แต่ธาตุเศษน้ำลมไปนั้นเจ้าวิงานหอกลวงให้หลงอยี่ดังนั้นธาตุดินกัาาขอเราธาตุน้านเดินใจกว่าของเราเอันนี้เป็นศึก ษ, ษาในเรื่องเรียกว่ามววัดยกอง ข, ขันท่าขันพระคณะพระเจดจ์ขันทางขันต่าง เป็นภาระหนักพิสุจ์ทั้งหลายมันหนักเพราะอะไรหนักเพราะมันไม่เที่ยงแปรกลวนเปลี่ยนแปลงหมดเป็นนิหนักเพราะมันเป็นทุกข์ลำบากการเจ็บรูปริแตกผันหมดเป็นนิดหนักเพราะมันแก่มันเจ็บมันตายแปลกลวนเปลี่ยนแปลงกับภาพอย่างนั้นพิสูจน์ทั้งหลายเชื่อมกันหมดดูให้ดูจะได้ไม่เศร้าโศกโพระอะไรจะตามาสัจมม่เห็นเช่นฉัน อันนี้เป็นข้อสาคัญ น, นั่นนือพระราดานำทุกข์กขังเรเกนขันห้าเป็นชุนโลกที่สุทั้งหลายนั้นนะนัเกเจอขันธะสมาทุกขาทุก อ, ง, อ ง, เ ง, งเมืองแสนจะไม่ให้เราขันห้าไม่ในี่จะทุกข์กับทุกข์หาสุกเลยนั่นแต่ว่านักป่าผู้สลาผูทั้งหลายหญิงชายท่านก็มาพุทธนาขยำเจตที่นิสสุปันดา ดูกายก็ติดชนะพุชนากายเห็นละท่านหา้าไม่เชื่องเป็นทุนาา่งตาเร้วท่านก็มาชนะจิตของท่านให้ฟองใสตำรวจนัดเร่นคมประพุชั่วดกายวาจาใจมม่เห็นง น, น, น, นี่แล้วฟองกวนประพุชช่วดกายวาจาใจไม่เห็นตัวชนะจิตที้ฟองไสในตัวเนี่ยน่จิตฟองใสแล้วการพุชนาทำนั้นมันก็ะสะดวก น่าลำบันเทงดีน่เลยมันมีนสิ่งบางท่เกี่ยวกับนัสิทธิของใสอันนี้ข้อสำคัญจากท่านผู้ทั้ทงหลายท่านก็าําพิจารณาใจเห็นจริงจริงตามเป็นหมายแล้วชื่อสงสัยาพิจารณาใจกสำนะใจขอจ้สงสัยเจตเจตตาเมี่อกาจีนติ เป็นวิทธานาธรรมที่ดูของพระโลคาวาจันทรเจ้าทั้งหลายนั่นเองจงสำนึกจิตของไสจิตคือเราเราคือจิตทำเองทำมาหนุบสิณติทำที่เป็นวิญญาณก่อนเดือดเกิดกับจิตบันดาใ้จิตมีคมสูงเจริญทำเองทำมาหนุบสิณติทำที่เป็นบาปอกผลก่อขึ้นจากจิตทำลายจิตในสมอง ก่อนรู้เจงสำลัะได้สติด้วยปัญญาอย่าให้เงินเผาเป็นทุกข์ร้าร้อนอันนี้เป็นข้อ ส, สัมพันธ์จงสำลักเป็นจริงเจงจริงเมืม่อมาเห็นเจงแต่นั้นก็เชื่สงสัยทิ้งก็วางอันนี้เดินอิพัฒนาคนขั้วนกันห้ากำหนดวางจะมีตั้งแต่เดินอิพัฒนาอย่างเดียว นั่งไม่มีกำลังไม่มีกำลังตอนตั้งของโลชนาขณะกันหมดวางเข้ามาอยู่ความสมถะกรรมฐานเดินโยนนั่งโยนในอารมณ์เดียวหายเจ้าพทดออกเทวดางนั้นเดินก็ดีเดินก็ดีนั่งก็ดีนี่เป็นการเจริญสมถะกรรมฐาน ทำใจตั้งมั่นในขหิกของสมาธิทำนั้นจะหาของจริงเกิดขึ้นนั่งยนเดินสมควรได้เิดตั้งมัน่นในกําลังกําหนดนึกพิทโภคไว้เดินนิสนาคนขวงอีกคนขว้างดูโลกดูสงสารโลกคือหมูสัตว์เป็นอย่างไรหมอสงตําดําขาว ทุกทุกรรมดีกัมสวัสด์นั่นเลยผยุทท้ายก็เกิดขึ้นเพราะกรรมดีกรรมสวัสดกรรมดีให้ผลเป็นสุขทุกข์ khổ ปัาอจยการสะสมซึ่งกรรมนันให้ผลเป็นสุขทุกข์ khổ าวจจัยการสะสมซึ่งบาปนั้นให้ผลเป็นทุกข์กรรมดีกรรมวัเป็นหลักของโลกขุมมูสัต ก็นั่นจึงไม่เห็นเั็นดีเทียจะมีสัตวงูเขาจะ็นังดาตายลูกตายซ่าเพราะกรรมตกเตนบันดาลให้อันควาสสำคัญแหโลกทั้งโลกของหมูสัตว์การชนะสุนใดไม่ได้กรรมสมันก็เป็นทุกข์ได้มาแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ชอบพอใจวิบัติทุพหันหไปก็เป็นทุกข์ นัานและเลื่อนแต่เป็นทุกข์นั้นสงขีเจ้านปัจจุบันฐานะคันทาทุกข์าโดยอุปาทานอาันเป็นทุกข์มิจะทุกข์ทานั้นหาสิ่งที่มีสุขได้นรอกแระพุ้ดเจ้าเบื่อหนายเกดเป็นทุกข์พระอริยเจ้าทั้งหลายก็ดีนั่นแหลเมื่อมีเกิดแล้วก็เป็นทุกข์นานาสิกไม่ม hm. ีวันจบสิ้นใย ที่จำศึกษาทุ่นาถึงกริงแจ้งชันก็มากำหนดวางยึดพุทโธเจรียบของะติจังมั่นรสัมมาสัจธรรมตัองจัจจิบนเจริญดำรงดำงจิตก็วางพุทโธวางกายลางลมเรื่มลงสู่ท่านขันต์กะสมาธิอิทพอเริ่มลงถึงฐานแล้วจะนั่งก็ เดมาทุกขณาทุกอย่างยอมยอมไปนั่นนักมารกรรมฐานอาชพษะกรรมฐานจนสุภาพศูนยมันเองแล้วก็พิณทศชาติสังขารจนสุภาพศูนจะทำลายอะไรก็ไม่ได้แต่ว่าจิตกับสติกับปัญญานั้นสัมพันธ์ชนิดกันแฟน สลาดเลียวดูง น, นั้งจากนั่งมาก็จเจริญรุ่งรัตพัฒนาอย่างนั้นที่นิ่งเจ็บก็ถอนขึ้นมาสู่สภาพเดิมก็คุตติที่ดูนงก็มือหลบแฝกห้างเยาวพนั้งโยมหน่อยมิจะนั่งทำเองแง่ฝาแฝดตองตือซ่า คนตกมันก็บอกว่าแม่เนี่ยแต่พรอยู่ได้หูดก็เราชุดเปล่งแ่งหาสัมภาระมาเปล่งแจงขึ้นพอ ท, ทำให้เกิดท่านเจริญธรรมะยุติปัจจนาจิตจิตแรงแห้งสมาธิไม่เกิดเลยดับเงียบจิตทำย่างไรเป็นเพราะอะไรเนอะเป็นเพราะเรานั่น ทำหนักจริงทำเกิดขึ้นแล้วไม่รักษาเอาเฉ่นหน้าที่อยู่ที่นอนอาศัยนั่เป็นของในโลกกระเจิแท่ที่นู้ก็ไม่รักษาไว้เห็นที่นู้มาเยอะมาใาญ่มันสร้างนับเขาก็ไม่มาอีกนี่สันใดสมาธิทำกับสันนั้นเกิดขึ้นแล้วไม่รักษาไว้ไปทำงานจริง มันก็ดับไปแล้วเพราะการทของแสงนั่นแหละมันเป็นของละเอียดต้องมีอารมณ์เดียวไม่มีสองถ้ามีสแล้วคิดหวังทางนั้นจะเส้นไปนั่นแหะเป็นโทษของการที่คนทำไม่ละเอียดไม่สม่ำเสมอคิดอยากทาอย่างนั้นคิดอยากทำอย่างนี้เข้ามาทําลายมันก็เลดับตาจะนั่งก่อน ต้งสัตว์คงเพียงเรื่มรักต่อติดใน่ลิกนะถามมนีห้าวันเข้าไม่กินกินกต่นานไม่งงนอนเดินเดินวันที่ห้าที่หกที่เจ็ดติดลมยัง น, นังดัสู่พลังขับรอันแสนขันกะทเพออยู่สเงเคและห์กหมดถามทำไมหมอทำามิีททรทำจงดับ เรื่มันงปังมลุกโตพูดึ้นมาว่าอ้อเพราะไปก่าสร้างตึกสถานที่ทวบบนั้นแต่พ่อโยทพ่อจริงก็าอาศั ย, ปยไปได้แต่ห่วได้อะไรของของมันมีเกณนสัรของใครมากนั่นเลยไม่รักษาทำไว้อของแข็งมากกระทดมันก็เลยไม่เก็นไปก็เลยหับ เกยบินเก็นมาพยายามไปตามรับเขาก็ไนมาอีกแล้วอันนี้สันใดนี่แหละหงใดตั้งแต่สัุรูมจเอานี่ห่งใดฉันเอนี่แก้ไขยังแก้สังขารร่างกายเอื้อมถ้ามันแก้ตายสร้าง้อยสร้างเรื่องดูเป็นขนานทำไรทานาข้าใเป็นเจ้าเป็นนายหาเงินขนมตังกลั่มเรื่องโรจีเสีะไอเจ้าคนโงนี่ มันก็อื่นอยู่เสมอทั้งันทั้งคืนไม่ยืนยูดกับให้ถ า, านว่าเราเป็นผู้สมแข็งไม่ดอกมีแต่ัฟชุ่มผ้าเอาเปรียบเอารัดเพาแปลสภาพเปี่ยนแปลงอย่างเปรียบรัดอยู่เสมอนี่งหละให้สั ก, กันใดก็อื่นเสมอจนอาหารทั้งคนเริ่มรัดทําเพลอนได้แล้วคือบนตัวสม ชั้นสละสมัยที่ทาตัวบูรณกรุ๊ปซึ้นกนอนอนทานอาหารทำงานประเทศเดียวใหละนั่นแหละเป็นอาหารคึ้นบนแท่จงรักษาไว้ยาพึ่งไปเหยียกมุ่งใปนี่คิดอยากทำดังนั้นอยากทำอย่างนี้ไม่ใช่ทางพระเจ้าไม่สอนกุ่าลจางลงสูกเขาทา่านก็ไม่สอนสอนให้ชันกับคนเพียนอย่างเดียนั่นแหละ นั่นดูเป็นไปอ น, นุข้อสำคัญแน่นจำไว้เรื่องกระเพิ่มถึงสภาพไม่ดีอะไรี่เห็นทอดแห่งการทํทาวนงกลียนไม่สม่ำเสมอทําไม่จริงแน่อยากทำนั่นอยากทำ น, นี่เสรีจิตไม่เป็นคํานี้ากจะเป็นกระดูโ ย, ยตัตถิภูมิแยกเราไปอย่างนั้นเป็นนุปาทานบวช เพราะทำไม่จริงนันหาจะของจองนลเสมอง่ามพูดจะเต็นไปนะนี่มันผ่านมาแล้วสำหรับเราและท่านนอยกก็ผู้วอาจารพูดหลวงสูขขาวนายอท่านเป็นทหารผู้รอดประเสรูฐและท่านเป็นลูกเศรษูกใหญ่แห่งปู่นั่งปตตะธิระข้าพระเจ้าองจะถามท่าน เล้ยมั่นทำยังไงโอ้ท่านเห็นยุน่มันการทำเพ่อนเท่านั้นตึกสร้างขึ้นดูช่องเดียวเตัวเดียวางแอมือาเฉบตองงามช่างอยู่รนรูปนั้นท่านเห็นว่าไม่สำคัญอะไรสาคัญทำเพื่อนเท่านั้นนั่นเลยนุ่งมั่นที่สองมั่นคงเต็มไปอนุี้ความสำคัญ นั่นเน่ในทุกสายเห็นเป็นมาอย่างนี้แล้วก็อนอดีตประสักษุดอันทุกท่านผูวังดีทั้งหลายจนตั้งสัตว์ไว้หรือไม่ตั้งสัตก็ดีเดินของประเด็เดเนไม่ตั้งสัตวแเ้นก็ดีเดินก็ดีนั่งก็ดีตั้งสัตว์ไว้มันจนเกินไปสอาไม่ตั้งสัตอย่างที่ทางานเนี่ยถ้าเครื่องเคองแกตอนนี้มันหลุดเ้นขาดสาย ก็ต็มไปแต่ให้มีอารมณ์เดียวอยากคิดอย่างทำอย่างนี้อยากทำอย่างนี้ไม่เต็มไปตายที่พื่เรล่านั่นชจังเลยอมตะจำกัดการจะทำจนของจริงเป็นทรรที่หนึ่งตายตั้งใจทำเอาสมุทตเป็นแดงอยาได้วันไหนในการเจริญทรรนั้น อันนี้เป็นของหน่วยนอนนั่นไงถ้าปฏิบั ต, รรตบิแล้วจนแล้วก็ได้รบประจบทุกะเจนใสจนตัดใจฆ่าไม่ได้ ก, ก, ก, กดนะ็เป็นแต่ทั้งข้าพเอยู่คำธนาทหารดีมากเจนใสจนตัดัจกล่อไปโดยเร็วประ ง, งานึ่้านี่จุทั้งพ่านาหนังิกตะวางแป่ว่าน้ำออก ฉะนั้นจึงต้องเจริญภาวนายาในสมาธิทำโด mm. ูเตรนนิสเอาสิริเป็นแดงก็จะเป็นไปดอกเนี่อจะลองทำอยู่เป็นนิสแต่ว่าเราเดินอิทธิยังกศรัทธาพันธะติกะทโทยังเพื่อเวียงไม้ซึ่งแีดงขึ้นบนขั้วหน้าพระศรัทธาพระตาลูณะกิริสสะหตุเตนเพื่อนสองทั้งยุติสตงโลก ผู an, ้จะเจริญธรรมจนภายในต้องใส่ศรัทธาศรัทธายะสารติโอคังบุคคลจะขับโอคัเองกันดังต้องสีแล้วต้องใสศรัทธานั่นและตามโอคัเครื่องผูกจัตทั้งหลายนี่ยจ้าพระโอคัเครื่องผูกจัตทั้งหลายมุทิติโอคัเครื่องผูกจัดทั้งหลายมุทิติกลนกลูกายอภิชาโอคังหลงพระาสังขาร โอคะคือุณงน้ำนั้กระุมตั้มรูนีเพ่มทักจิตัจของโลกขึ้นสาจากหลายจมลงนั่นเองผู้จะข้ามไ็ได้ประกอบด้วยทัดทาปัญญาใจสงบสกะทพันผ่านได้ทัดทาเมรุสมพลตาเตกลุงไสมาธิปัญญาอนุกตนนัก็นเชื่องสรงอินทิ้ากะห้ากรังฆาจงเจรินสมบูรณ์ทุกอย่าง ยังขาดปกป้องอนุข้อสำคัญเป็นกระดอนเป็นพัะใจนำทางานทุกใย่างอนข้อสำคัญได้เจริญกระตุ้นปิบัติมาอย่างนี้ไม่ไวใ้หวหวนใหชัยลยนอกทั้งหลายทั้งปวงคนใหญ่ตั้งแต่ตนมาจนดีแล้ ว, วดีหมดจ น, น, น, นไมู่่ก็ไม่ดีที่ตั้งวงกลขึ้นจากต น, เ, นเราเองเป็นเพื่อทเสร็จตัวเราเอง พจนองานแก้ไม่มาชันอะไรใดและพู้เี้งเจ้าทั้งหลายนักมาชญ์ทั้งหลยก็เป็นแต่ผู้บอกอย่างนั้นจะใจวุ่นจะอยูอย่รู้เหอหลนจวุ่จะวางพราหนักนั้นเป็นเรื่องของเรานี่ข้อสาคัญจะไมีนานมาอัตัางิจมนนาเถอตอนนั้นเงเป็นอิครของเจ้าทำดีก็เป็นอิคระของเจ้าทำข้ั่วเป็นอิสระของจ้าเลือกเต้นเอา เอผีทะเลที่อาฆาตยิงใครเราจะพุ่งงาเซนทุกทุ่มแกเราได้ในชาติฉะนั้นจนจนเจนคุ่งของตนตนทำเอาฉะนั้นจนตั้งใจไม่บันไหไปตามธาตุขันจะเป็นจะตายก็ไม่บันไหวตั้งใจเริญพระพันปีนิดได้ขาดสา ย, ยาได้วางเงินอั น, นเป็นข้อสำคัญเอาชีวิเป็นแดงดาด้สมาธ ถ girl, girl, girl. Well, today, people. People ้าช um ีิดสำขาัในรอพ่าและเดี๋ยวเดียวก็นับแดกใจยาวแม่เงีเรื่องนั่งดูโลแปดสีเก่าเจนรอบเดี๋ยวเดียวก็ไปช่ไหลางคนจะใส่ท่าก็ไปสี่องค์อ่ากับผีขกเข่เโยงก็ไปหลายหลังขึ้นมาอยู่นี่ว่ามาด้วยว่าจะมีคนตายทุกแผ่นดินทุกสถานที่มีการผู้ค จะนั่นคนตายเป็นใจร่างกายเราท่านยาโร้กายเป็นากหลักกายที่ใจนั้นยาเนใี่ยตายจากมักผลุตัง้งโสษจงเจริญกันอันนี้ข้อสาคัญจะนั่งจงตั้งใจเอามาได้เช่นอย่างวันพระวันนี้ยนั่งคืนวันนี้ตั้งสัตขึ้นโดยพุทธจะมานานเดินจะ น, นั่งขึ้นบุบ ถ้าไม่ได้ยังยึดจิตอย่างไรนะเดี๋วจะเอาวันเจ็ดค่ำเจ็ดค่ำกัอะไดกั้งวันละกลงคืนวันเจ็ดค่ำก็ได้ต้องวันกลางคืนเอาสองวันนี้ไว้ก่อนเผี่อว่าผ่อนสั้นผ่นยาวเจ้าพุดอย่างแข็งเลยไม่ได้ก็ก่อนไปสิบไเยื่สิบไว้ก่อนมันเจงขึ้นเต็มไปเลยแล้วันการบำรุงใจสามวันนี้ มีสงสารมีทรรั้งชันตป็ตเป็นไปไตบ์ดังมาก็จนให้รู้ตนเองนั่นเลงทำตนอยงางยังงังรอบไปตรอดเมืตอตำบวจเดินทางแม้คูามาจานทร์ผู้นำนั้นถ้าไม่สลาดก็เพ็ดหวังทั้งนั้นมีการกริญสมณะธรรมที่ตนเองได้ประสพบพุทธมาหลายครั้งแล้ว ทุบาอาจารที่นอสระในการชาเจรรย์ทำนั่นเองทิศหลังเท่านั้นตอนเมื่มาประสบพระจังพระอาจารย์ที่ดูหลงผูกโยนทุดิโดนน้นแปลงดอนดีหลงผูกเขาเลยายโยทำกลางเทีนดสองอาจารย์ีเวสประกุศลทา่านพระในนาำทาสอนตั้งแต่ทําคงเทียนเท่านั้นไม่ทำจรโยนไม่สำคัญหรอก ตนทำตนเป็นคนดีว่าีหมดอยากพุ่งอากทำอะไรยากเรี่วไม่ได้สิงากหลายเดชจของ้อยกันว่าผู้อยากนอนไดชินเท่ากันห่อมันหไว้ว่านั่นแยาตัพปนโจกจนหน้าคนใจของตนเมเจ้ต้งตกใจมันสั้ันคงตอการทำาีย่าันแท้ในสมอเหมนกันจะติมใจ นี่นะธรรมะบรรยายมาบัดนี body, mind, around, ้บรรยานธรรมะทู five, five, ่ประพฤติปฏิบ well ัติมาจ่างน้พอเป็นเชี่ยงเชียงท่านตุคเข้ทั้งทั้งหลายก็จงโอื้ะเทนองโตน้ำนำใจประพฤติปฏิบัติจริงไลยหนอเราขาดจบดลบคล้องผู้ขาดพู้ทั้งหลายไม่สอบใจม่เห็นข้องเราก็จงละจริงเลหนอที่มันถูกต้องตามตํานองทามระเจ้า สื่ปารทั้งหลายเสนอส่แล้วก็ทำอย่าให้พาดหลังไม่ดีนี่ธรรมะบันใายบมันยิ่งกว่าสควรแก่กาลเวลาหาดุิกันเราจะเที่ยวเที่ยวบางอาลรเนาะ